สมาธิภาวนาสำหรับนักศึกษาโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอมือพอรสริสวัสดิ์ทีพัฒนมงคลความพาสุกทุกประการความเจริญในสินในธรรมในจิตในใจจงบังเกิดมีแก่เราท่านทั้งหลายทึ้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคน ในตถานี้วันนี้จะขอพูดในหัวข้อเรื่องในง่ายที่จะทำความเข้าใจแต่คือเรื่องสมาธิภาวนาสำหรับนิสิตนักศึกษา ยุคอม พ, พิวเตอร์ยอกอวกตาทำไมยังต้องหัวเรื่องนี้เพราะว่าเราทั้งหลายได้เชื่อว่าเป็นผู้มีความสนใจในทางนี้เป็นนักปฏิบัติธรรมกันจึงได้เสียสละเวลาจากบ้านจากท้องแม้จะยังหนุ่มยังน้อย ย้อนเสียสระอารมณ์คือความกำหนัดความเพลิดเพลินความสนุกสนานตามใจของตนเองในบ้านในครอบครัวอย่างโลกโลกเพื่อนฝูงเขาคงสนุกสนานกับประเทไปถึงไหนกันหมดแล้วแต่พวกเราไม่ไปเรากลับหันเน่าเข้าวัดเ่าวัดไม่ใช่วัดธรรมดา วัดป่านอนอยู่ในกระท่อมกินข้าววันละครั้งเดียวอยวกันยังถ้าจะพูดแบบคนสมัยนี้ขเขาเรียกว่าโยยังอดอด ย, กอยากยากทุกทุกยากยากแต่สำหรับพวกเราคงไม่เข้าใจอยางนั้นที่เราก็มาฝึกทำสมาธิภาวนากันนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่เราจะพูดถึง เอิสมาธิภาวนาสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษานั้นเราหมายความลึกลงไปถึงนักศึกษาชีวิตนักศึกษาจิตนักศึกษาใจอาจจะเป็นนักเรียนแก่ก็ได้ไม่หนุ่มไม่สาวอาจจะฮว่งงอกแล้วก็ได้แต่ว่าเราก็กําลังอยู่ในขั้นเริ่มเป็นนักศึกษาคือเพิ่งจะเริ่มฝึกเริ่มทำโดน ปัญหามันก็เกิดมีขึ้นว่าให้เรื่องสมาธิภาวนามันเป็นเรื่องนามธรรมเรื่องจิตใจถ้าเราไปเรียนหนังสือปีหนึ่งเราก็เรียนครบหลักสูตรครบเทอมแล้วก็ไปสอบปีหนึ่งวัดผลถ้ามีความรู้ตามหลักสูตร่ก็วางเป็นกติกาให้เป็นกฎเป็นทระเบียบอะไรนั้นเราเรียนแล้วเราสอบได้เปอร์เซ็นต์อย่างน้อยห้าสิบ ออกเจ็บิงนี้เราก็ถือว่าสอบได้ผ่านชั้นเรียนไปก้าวขึ้นชั้นสูงกันต่อไปไม่ว่าจะทำอะไรทำไร่ปรีหนึ่งก็ได้เก็บดอกเก็บผลทำนาปีหนึ่งก็ได้เก็บเกี่ยวทำอะไรฮะระยะาหนึ่งปีแต่การปฏิบัติทา ง, งสมาธิภาวนา คือการศึกษาอบรมจิตพัฒนาจิตตนเองมันจะมีกำหนดไม่ได้ว่ากี่ปีกี่เดือนกี่วันจะมีการสอบวัดผลใ้การสอบวัดผลนี่ไม่ใช่ว่าไปสอบที่อื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาให้คะแนน จะต้องเรียนเองเป็นครูเองสอบเองเป็นกรรมการเองให้คะแนนตนเองได้ป ร, ริญญาเอง <c oughs> ได้ฟังให้ดีเพราะผลของการปฏิบัติมันไม่เป็นวัตถุแต่มันเป็นเรื่องทางด้านจิตใจรุวนปฏิบัติแล้วผลมันออกมาเรียกว่าปฏิเวทในจานวนคำว่าปฏิเวทนี่แหละปฏิเวทเนี่ย มันเป็นปัจจตังเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนไม่ใช่คนอื่นจะมาตัดสินมาแต่งตั้งให้เราเป็นพระอริยเป็นอะไรเราจะรู้ได้เองบอกความเจริญกล้าหน้าทางจิตของเรานี่มันจะเป็นอย่างไรที่เคยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่เคยเกลียดที่เคยกลัวที่เคยรัด ที่เคยโกรธง่ายเปรียดง่ายกลัวง่ายรักง่ายอะไรเนี้ยมันโกโรธเร็วขึ้นกว่าเต่ากลัวเก่งกว่าเต่าเปรียดยิ่งกว่าเต่ารักยิ่งกว่าเต่าลุ่มหลงยิ่งกว่าเต่าไหมหรือว่ามันรักยากโกรธยากเปรียดยากกลัว ย, ยากลุ่มหลงยากแล้วมันก็อ่อนตัวลงความยึดมั่นถือมันตัว attached attached ใในตัว ลงเราไปยึดมันหรือมันเนี่ยมันลดลงอารมณ์เีื่มันเกิดวู่วามเกิดความโกรธเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อทาสมาธิปึกติดตนเองไปมันกับลดลงมันไม่มันไม่สปาร์กเร็วๆอย่างเต่าความกำนัดคัดเครืองเรื่องการารมณอารมณ์ทางเพศเอ็นเตอร์เทนเมนต์อะไรต่างๆมันได้ลดลงมันผิดปกติคือมันไม่รุนแรงมันกับเนื่อยๆลงมาหรือกับ บางคนโล่เข้าหมดกันไปเลยอะไรพวกนี้ความโกรธความกลัวความเกลียดความรักการอารมณ์อะไรต่างๆเรานี้แหละจะรู้เองเพราะฉะนั้นผลของมันจึงจะต้องรู้ด้วยตนเองในจิตในใจทีนี้มันก็มีปัญหาพอฝึอกเกาไปมันก็โลภโลภอยากจะเป็นภารียเจ้าเดี๋ยวนี้อยากจะเก่งเดี๋ยวนี้ อยากจะเป็นผู้มีหูทิพตาทิพย์จะเป็ูเห็นเลขเหวย อ, อะไรคนเอาแล้วเป็นอันว่าเรามาทําความเขา้าใจนักศึกษาทุกท่านถ้าจะศึกษาในเรื่องนี้มันจะได้ปริญญาไม่มีเสื้อคลุยแล้วก็ไม่มีใครมาให้ไม่มีใครประสิทธิ์ประสานให้ไม่มีสถาบันใดที่จะมอบให้ได้แต่จะต้องเป็นปริญญาที่ใจ คือความรู้ที่ยิ่งยิ่งขึ้นรู้รอบรู้ยิ่งขึ้นครั้งแรกเราก็เพียงแต่หัดกําหนดจิตให้มันสงบถึงแม้มันไม่สงบเราก็กําหนดรู้ว่ามันไม่สงบมันสงบเราก็รู้มันวุ่นวายเราก็รู้มันรักเราก็รู้มันโกร์ก็รู้มันเกียร์ก็รู้มันชั่งก็รู้มันเกิดความกําหนับทางเพศ เป็นเตอเทนเม่นเกิดมาเราก็รู้ว่า น, นี่คือธรรมชาตาิาลกำหนดรู้อย่างนี้ทุกขณะทุกขณะทุกขณะอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเริ่มเริ่มจะมีปริญญาภาษาบาลีวา่ายาต์ปริญญากำหนดรู้กาหนดรู้มันคิดก็รู้ว่ามันคิดโมได้ยินเสียงจมูกได้กินลินได้รหตาเห็นรู้รู้ว่ามันเห็น พอเห็นปับรู้ว่าสวยแล้วก็อยากได้ก็รู้ว่ามันอยากได้แล้วก็ไม่ไปช่วยมันอยากได้ดอกนะแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปต่อต้านมันว่าแกอย่าชิดแกอย่าไปชอบแกอย่าไปเกลียดเราไม่ต่อต้านตรงนี้ปล่อยให้มันรักให้มันโกรธให้มันเกลียดให้มันเคียดให้มันช่างไม่ต่อต้านมันแต่จะไม่สนับสนุน คือไม่ช่วยมันรักไม่ช่วยมันโกรธไม่ช่วยมันเกลียดไม่ช่วยมันเกลียดมันชั่งไม่ช่วยให้มันเกิดความกำหนัดมันกำหนัดก็กำหนัดไปอันนั้นเป็นอารมณ์ของธรรมชาติตามอดเยงของธรรมชาติฝ่ายกายฝ่ายฟิสิกอนพวกต่อมแกลนโปรเซตอะไรต่างๆฮอร์โมนของเพศมันเบ่งบานขึ้นมาสมมติเราเป็นคนหนุ่มสาวเมื่อยังมีความกำหนัดเผชิญหน้ากับตามอารมณ์อย่างเรียเบี่ยงไม่ได้แต่เราก็รู้มัน รู้มันแล้วก็ไม่ช่วยมันนะไม่ช่วยมันไม่ช่วยมันไม่ด้อยังหามาให้มันแล้วก็ไม่ต่อต้านมันจะรู้มันเฉยๆเมื่อรู้เข้านานเขารู้ทุกเมื่อทุกเมื่อเขาก็จะเห็นความจริงอันหนึ่งว่ามันเป็นเองมันเป็นเองต้องรู้อยู่ทุกเมื่อนี่มันเลยซึมลงไปซึมลงไป โกมาครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งเกลียดมาครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งรักมัาครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งกำหนัดทางเพศมาครั้งหนึ่งก็รู้มันครั้งหนึ่งกำหนัดท้งวันก็รู้มันทั้งวันอย่างนี้ภาษาบาลีเรียกว่าอภินญญาะหรือยิ่งหรือยิ่งคือรู้ครั้งเดียวมันไม่ยิ่งรู้สองครั้งมันจะยิ่งขึ้นสองครั้งรู้สามครั้ง มันคิดดิกระู้ยิ่งขึ้นสี่ห้าหกเจ็ดสิบเป็นร้อยเป็นพันมันกับหนัดมันรักมันเทียดมันโตมันชังลูกอย่างนี้เลยว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทำไมว่าภาษาเลาเขาว่าตืิมขึ้นเรื่อยหูเติมขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยอย่างนี้ภาษาบาลีใช้คําว่าอภินญยรู้ยิ่งเมื่อรู้ยิ่งเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกลายเป็นสัมโพธายะ รู้พร้อมรู้พร้อมเมื่อเป็นสัมโพธายะมันก็เกิดการรู้พร้อมไอการรู้พร้อมของมันเนี่ยมันได้ปริญญาอีกอันใหม่เรียกว่าตีระนะปริญญาแต่มันจะเป็นอย่างนั้นครั้งแรกหัดให้มันรู้เฉยๆมันคิดอะไรรู้หมดมันโกรธมันเกลียดมันเขียนมันชังมันรัก มันห่วงมันแหนมันถึงมันคิดถึงอดีตมันห่วงถึงอนาคตรู้มันหมดแต่ไม่ไปต่อต้านแล้วก็ไม่ช่วยสนับสนุนเราจะรู้เฉยๆการรู้เฉยๆรู้บ่อยๆ ร, ๆรู้ทุกเมื่อเรียกว่าอภิญญายะอภิญญายะและอภิญญาญาเนี่รู้ยิ่งขึ้นทุกเมื่อทุกเมื่อเป็นภาษาบาลีว่าได้ปริญญาเรียกว่ายาตะปริญญากําหนดรู้มันยิง่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในที่สดุดเมื่อเรารู้มากๆมันกลายเป็นอัตโนมัติ กลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาเป็นชาคราตทำแม้แต่นอนหลับฝันว่าตนเองคิดอะไรก็รู้อยู่ในความฝันตนเองโกรธก็รู้อยู่ในความฝันตนเองเลีอดในความฝันก็รู้จิตรู้ใจรู้อารมณ์ตนเองทุกเมื่ออย่างนี้เรียกว่ามันเจาะลงไปแล้วเจาะลงไปรู้พร้อมเป็นนิเพทะคามินีเจาะแทงลงไปเจาะลงไป แล้วมันจะเกิดสัมโพธายะรู้พร้อมคิดปับปูปับคิดปับรูปับคิดปับูปบมันรู้เองมันทีนี้พอเราได้ฝึกมานานในตอนมันรู้เองเนี่ยมันจะได้ปริญญาตัวใหม่เรื่องขึ้นมาเรียกว่าปรีรณะปริญญาปีรณะปริญญากาหนดพิจารณาโดยตัวมันเองโดยเราไม่ได้พิจารณาคือรู้มากๆ ม, มันก็เลยเกิดความฉลาดขึ้นอ้าวไม่ใช่เราคิดโว้่ไม่ใช่เราคิด มันคิดเองมันแล้วก็เห็นเบื้องหลังปรากฏการ์ของความคิดอันนี้อีกด้วยเบื้องหลังปรากฏการ์ของมันที่มันคิดทั้งวันยังคำ่ำคิดทั้งปีทั้งชาติจนตายมันมีความเป็นมามีแฟกเตอร์มีส่วนประกอบอะไรคือส่วนประกอบของมันโดยดีๆที่มันคิดอย่เนี้มันมีสามอันท่านั้นมาให้มันคิดอันหนึ่งมาจากอดีตเรียกว่าสัญญา มาจากอดีตก็ดีมาจากความเคยชินพอเห็นป๊อปโกรว่าสวยเห็นป๊อกโกรุ่วใหม่สวยได้กินป๊กปโกรุ่าหอมรู้ว่าเหม็นอันนี้เลยว่าสัญญาความสำคัญมันหมายจาได้หมายรูกหลังจากนั้นทาไมมาจากตัวนี้มันก็มาจากเวทนาคือความที่จะเกิดขึ้นจากอารมณ์ใดก็ตามที่พอใจและไม่พอใจสองอันเทา่านี้ ถ้าพอใจก็เป็นสุขเวทนาไม่พอใจเป็นทุกขเวทนามันก็ปรากฏพูดขึ้นมาด้วยความพอใจแล้วก็ปูงแต่งต่อไปฉันจะเอาอย่างนั้นฉันจะทำอย่างนี้เป็นสังขารหรือมิฉะนั้นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาที่เรารู้บันดับไปแนละ้วมันเกิดมาจากอวยตกวิตกวิตกตคือจิตที่มันชินที่จะเอาขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวสําเร็จลู่ ควนจะเรียกเป็นภาษาฝ ร, รารว่าคอนเซปชันคอนเซปชันคอนเซปชันเนี่ยตัวเนี้ยคือคือความคิดรวบยอดที่มันสำเร็จรูปมันเคยเคยรู้เคยจำเคยอะไรมาจนไม่ต้องมาปรุงมาแต่งเหมือนอาหารสำเร็จรูปนั่นเหมือนเสื้อผ้าสำเร็จรูปไม่ต้องเอามาตัดมาวัดมากะมาเกณฑ์ใส่ปั๊บเข้าไปเลยมันเป็นรูปร่างเป็นทรงเป็นกนตรเกณฑ์อะไรไปหมดแล้วอันนี้ภาษาบาลีบอกวิตก ความคิดที่สำเร็จรูปแล้วโดยไม่ต้องอาศัยปรุงแต่งจากทางอื่นหรือความเคยชินภาษาอังกฤษควรจะใช้คบว่า conception ความคิดรวบยอดสำเร็จรูปและอีความรู้สึกพอใจไม่พอใจภาษาบาลีเวหนาจิตที่เข้าไปสวยเป็นเจ้าของอารมณ์ น, นมาภาษาพลังบอก f e e feeling แล้วอีกอันหนึ่งก็สัญญาความสําคัญมันม่นหมายจําดาษหมายรู้ในอดีตจนถึงปัจจุบันจนดองหมักอยู่ในหัวใจเห็นปั๊บก็รู้ว่าสวยแล้วก็ต่อไปเป็นพอใจไม่พอใจเห็นปั๊บก็รูว้ว่าใหม่สวยพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเห็นได้ยินปั๊บก็รู้ว่าเพราะไม่พอได้กินปั๊บก็รู้ว่าเหม็นหรือหอมแลิกพอใจไม่พอใจอโดยไม่ต้องไป <c oughs> ไปคิดพิจารณาสักก่อนว่าสวยไหม <c oughs> อันเนี้ยที่ตื่นตืนตัวอยู่นี่ไม่ใช่หลับะ ภาษาบลวัสัญญา perception รวมความแล้วเมื่อเรารู้ความคิดของเราที่เกิดขึ้นทุกเมื่อไม่ช่วยมันไม่ต่อต้านมันทุกเมื่อเนี่ยเราก็รู้เป็นให่เป็นตีระณะเป็นยาตะปริญญากำหนรู้ทุกเมื่อแล้วในที่สุดมันเกิดอภินยาญาณรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะมาเป็นซัมโพทายะรู้พร้อมเฉพาะรู้พร้อมเฉพาะ อาการรู้พร้อมจะพะมันเกิดการพิจณาในตัวของมันเองเพราะว่ามันเกิดอย่างนี้เองเราโดยเราไม่ได้คิดโดยเราไม่ได้ตั้งใจจะฟังจะดูจะเห็นและเบื้องหลังของมันก็มีสัญญาเวทนาวิตโตโฟคอนเซปชันเพอร์เซปชั่นโฟฟลลิ่งอะไรต่างๆพวกนี้ยมาเป็นส่วนประกอบเราก็เห็นแฟตอร์ส่วนประกอบของความคิดทั้งหลายเมื่อเห็นส่วนประกอบของความคิดทั้งหลายเสร็จเรียบร้อยมันก็เลย ทำให้เราได้ปริญญาตัวใหม่ที่เรียกว่าตีระนปริญญาปริญญารู้ถึงกับพิจารณาเนเองในตัวของมันเมื่อพิจารณาโอทั้งคอนเซปชันทั้งเพอร์เซพชันทั้งฟิลลิ่งทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกอารมณ์เหล่านี้มันเกิดแล้วมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับไม่อยู่ตลอดไปเรียกว่าเป็นอนิจจัง คนคนั้นไม่สามารถทนอยู่สภาพเก่าได้ถูกเบียดคันด้วยเหตุปัจจัยมันเรียกว่าเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได้นั่นจึงไม่ใช่เราเราก็จึงไม่ใช่อันนั้นในดิสโตรการพิณาอย่างนี้ละเอียดลงไปละเอียดมันก็เลยเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นตถาคตาเห็นความเป็นเช่นนั้นเองโดยเมื่ออยู่ในอำนาจใครอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเหมือนเรามาพบกันมากๆอยู่ด้วยกันนั่งทําสมาธิด้วยกันใต้ร่มไม้ โบรางกับละเว้นเยอะๆนีครเพราะเหตุปัจจัยให้เราได้มารวมกันเราจึงต้องจากกันบันหนึ่งอีกน้อยก็จะกลับบ้านใครบ้านมันเราก็เลยมีอาจารพัดพากจากกันถ้ า, าเราไม่ได้พบกันเลยแล้วไม่ได้จากกันเลยเพราะไม่ได้พบอันนี้เยว่าอีทัพปฎิยาตาเพราะเสียงมีหูจึงได้ยินพเพราะหูมีจึงได้ยินเสียงเพราะเสียงมีจึงมาถึงหูเพราะคนไม่ตายมันจึงทิพเพราะมีความคิดอยู่จึงมีจิตมีใจอยู่อย่างเนี้ย เป็นอทัาปียตาอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองไม่ผิดแปลกไปอย่างนั้นเรียกวัตตถตาอย่างนั้นเองเมื่อเป็นเช่นนี้เจิดมันรู้ของมันเองพิจนาเองมือนไม่เข้าไปยึดมั่นเถอดมันในที่สะกดมามันก็ไม่กอดมันรู้ที่รักมามันก็ไม่รักมันทิ้งเจออารมณ์ทางเพศปั๊บมันรู้ปั๊บมันก็ทิ้งปั๊บมันก็ทิ้งเอาไปเอามานานเข้านานเข้ามันไม่มีอาหารที่เลยแล้วนี้่ม่มีอาหาร มาให้โกรธก็ไม่กรมาให้รักก็ม่รัมาให้เกียก็ไม่เกียกมาให้ช่างก็ไม่ชังมาให้เกิดอารมณ์ทางเพศอะไรมันก็ไม่เป็นถูควบคุมอย่างทียิบด้วยสติในที่สุดที่เลยเรานี่ผอมตายไม่ไปช่วยมันมันไม่มีอาหารเลี้ยงมันก็เลยจอยลงจอยลงพร้อมลงพผอมลงตายบางอันกับยา ก, ก็หมดไปเลือแต่อย่างต่างๆบางอันต่างๆหมดไปเลื้อยแต่อย่างละเอียดบางอันก็หมดไปอันมีน้อยหมดไปอันมีมากก็ น, น้อยลงอย่างนี้ ก็รีว่าเราได้ปริญญาปะหานะประิญญาคือรู้มันจะละจะไม่เป็นเจ้าของจะไม่เป็นความทุกข์อะไรเลยนี่ท่านอาจายลองคิดดูปริญญาที่เราจะได้แล้วเราก็ปล่อยวางไม่เป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของทั้งความพอใจและไม่พอใจเอาอะไรมาเป็นความทุกข์ในจิตในใจจิตใจก็จะมีแต่ความสดชื่นแจ่มใสตามธรรมชาติของจิต ดั่งเดิมที่มันไม่เคยเศ้าไม่เคยมองก็หลังมามันจึงเสร้ามองข้อเหตุแห่งอุป ก, กิณเลสทั้งหลายนัน้นเป็นอย่างนี้เพราะนั้นผลของการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาที่เราได้มาพร้อมเพียงกันมาทากันอยู่นียไม่ใช่ว่ามันจะมีได้เป็นเทอมเท่านั้นวันจบหลักสูตรเท่านั้นเดือนจบหลักสูตรเท่านั้นปีจบหลักสูตรจึงจะสอบได้มันไม่ใช่อย่างนั้น มันไม่มีกำหนดเรียกว่าอาักาลิโกปฏิบัตินี้กำหนดเป็นเกณฑ์เอาเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเท่านั้นวันไม่บางคนง่ายง่ายจนเกือบจะไม่ได้พยายามอะไรเลยเพียงแต่โคบาอาจารย์เล่าให้ฟังไปทําตามนั้นมันก็มเม้าเ็นตามนั้นจริงๆจิตใจมันก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นมีสัมโพธายะมีอริย ญ, ญาติเกิดสัมโพธายะในที่สุดมันก็เลยนิพพานายะสังวตตินิพพานคือ ดับลงซึ่งความทุกเกลเลทที่มันทําให้เกิดทุกเราลูกพวกคอนเซปชันพวกเปอร์เซปชันพวกฟิลลิ่งต่างๆไม่มีแอดแทสในสิ่งนี้มันก็ดับลงเป็นนิพพานนิพพานนิพพานนิพพ า, านไม่ใช่ตายอย่าเข้าใจว่านิพพานคือตายถ้านิพพานคือตายพระพุทธเจ้า ก, ก็สอนให้เราตายจชื่ว่าคําสอนของท่านนั้นเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่ง สำโพทายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวตรตติเป็นไปเพื่อ น, นิพพานถ้านิพพานไปว่าตายก็ไปว่าเป็นไปเพื่อตายมันจะต้องไปเรียนไปบอพว่าปฏิบัติทำทำไหมถ้าเพียงจะเป็นไปเพื่อตายตายคือนิพพานก็โคขาดายง่ายเหลือเกินเองเพราะนั้นเราต้องเข้าใจทีนี้เราพูดถึงโครงสร้างผลของมันการก้าวหน้าของมันก้าวอย่างนี้ก่อนพูดกันไปพางก่อนเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าทําแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ ที่ี่เราก็มาซอยลงมาที่นี่ว่าเราจะทําอย่างไรให้เกิดภาวะอย่างนี้ขึ้นมาอันนี้ก็คือเทคนิคเทคนิคเทคนิควิธีการที่เราจะทําให้มันเกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นมาเราจะทําอย่างไรนี่เราพูดกันแบบนักศึกษานิสิตนักศึกษาที่มีปัญญาพื้นฐานที่จะเข้าใจกันง่ายขึ้นก็เลยไม่ต้องเสียเวลาเราพูดผลของมันซะก่อนแล้วก็มาสะท้อนถึงเหตุแบบว่าตัตยุสัตว์ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่เงี้ย ต้องทําอย่างนี้จึงจะเป็นอย่างนี้ที่ทำอย่างไรมันจึงจะเป็นสัมโพธายะทําอย่างไรจึงจะเป็นอภิญญายะทำอย่างไรจึงจะเป็นสัมโพธายะทําอย่างไรจึงเป็นนิพพานายะทําอย่างไรจึงจะรู้ยิ่งทำอย่างไรจึงจะรู้พร้อมพร้อมทําอย่างไรจึงจะเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อวิราคานิโลธานิโลโทนิพพานังเพื่อความจางคายเบือนนายคายกําหนัลดับลงสลัดึ้นจะทําอย่างไร เราว่าทั้งผลมันแล้วเระก็มาวาดทั้งเหตุ mm hmm. เหตุของมันก็คือเดี๋ยวนี้เรากําลังจะพูดกันในเรื่องสมาธิภาวนาความจริงนั้น mm hmm. เหตุเพื่อจะทําให้เกิดความรู้สึกปล่อยวางจากความยึดมั่นถือมั่นพ้นไปจากความทุกข์ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มีจต่การมานั่งสมาธิทําสมาธิภาวนามันมีทั้งห้าทางมีทั้งห้าทาง แต่ดีนี้เราจะเอากันหมดทุกทางเราเกิดมาตามหลังพระพุทธเจ้าเราเกิดมาตามหลังท่านเราก็เลยจะมาพูดว่าเอามันหมดทั้งห้าพ5นห้าพันในหนึ่งในขณะที่ฟังฟังแล้วก็มีความเข้าใจส่งจิตใจตามถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์ที่พระสาวตาดาหรือว่าพระภิกษุผูอ้อยู่ในฐานะครูฐานะศาวดาท่านแสดงให้ฟัง ตั้งใจฟังโดยไม่เครียดแข่งสงสัยหลังจากนั้นก็ส่งจิตใ จ, จตามพิจนายโยนิโสมนสิการก็เห็นจริงตามนั้นใ น, นที่สุดก็เกิดปีที่อิ่มออิ่ใจฟรามอดสดชื่นแจ่มใสเรื่นลมหลังจากนั้นก็เกิดปัสสติปสัปสปสติคือกายก็สงบจิตสงบแล้วมันก็เกิดความสุขอยู่ในใจสุขชนิดที่ซื้อเรื่งินไม่ได้แต่เป็นความสุขเแบบหนึ่งเมื่อเกิดความสุขมีสมาธิมันก็ตามมาโดยธรรมชาติของมันหลังจากนั้น ก็เห็นถึงตายตามเป็นจริงเพราะจิตมันไม่บอกแว็กเหมือนน้ํารือเหมือนใสแล้วก็เลยเห็นทุกอย่างเลยนะเรียกว่ารู้ได้เพรฟังต่อมาก็รู้ได้เพรคิดฟังแล้วก็ยังเข้าใจอยู่แต่ยังไม่แจ่มแจ้ ง, งเอาไปคิดอย่างมีระบบระเบียบสืบค้นจนถึงต้นเขาสืบสาจนถึงเหตุผลจนตลอดสายแยกแยะมาวิเคราะห์วิจัยกันให้ละเอียดและจิตใจก็จ ะ, จะเห็นตามเป็นจริงตา ม, มนั้นพลอยปล่อยวางจางคายดับลง อันที่สองส่วนอันที่สามนั่นพูดคือหลังจากฟังยังไม่ได้ผลคิดยางไประเบียบไม่ได้ผลที่นี่เอามาพูดให้คนอื่นฟังพูดให้คนอื่นฟังคือจําก็จําได้แล้วคิดก็คิดแล้วคบคิดโดยทฤษฎีแล้วในขณะเดียวกันมีโอกาสพูดให้คนอื่นฟังแสดงให้คนอื่นฟังพร้อมกันนั้นจิตมีสติ ต่อลงไปในสิ่งที่ตัวเองจะพูดทบทวนลีคอเลชันอย่างเป็นวันพอยท์เทสเนสคือเป็นอารมณ์อันเดียวเรียกร้องสิ่งนั้นคืนมาโดยอารมณ์เดียวที่เราเคยฟังเคยได้ยินมาในช่วงนี้จะเกิดปีติเกิดปามอดเกิดความอิ่มอกอิ่มใจในผลงานเกิดความซาบซึ่งแจ่มใสเพราะฉะนั้นก็จะเกิดปัสสติกายสงบจิตสงบในขณะนั่งพูดกับคนอื่นฟังเป็นสองสามชั่วโมงก็ไม่วันไหวนอกจากนั้นก็เลยจะเกิด ความสุขเ อ, อิมสมาธิเยถาปูตายานรู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่งที่เราคิดไม่ถึงมาก่อนในสิ่งที่เราเรียนแล้วก็ยังไม่เคยได้ยินคิดแล้วก็ยังไม่ถึงแล้วก็เลยมาพูดให้คนอื่นฟังดูจิตที่มีสติสมาธิมันก็เลยพล่องพล่องออกมาสิ่งที่ยังไม่เคยคิดยังไม่เคยพบยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้ยินใครพูดให้ฟังเมื่อเข้าใจมีอันที่สามอันที่สี่หลังจากฟังแล้วก็ยังไม่ได้พ้นแต่ก็จําได้โจ คิดแล้วก็ยังไม่ทะลุโ ป, ปองยังไม่แตกยังไม่ถึงกับปล่อยวางจางคายเมือ่อนายคายกำหนัดได้เอามาสอนคนอื่นก็ได้ไปลำนังเล้งๆตนเองก็ยังไม่ชัดเจนที่นี้เอามาสอนตนเองผู้ใหคนอื่นฟังก็ยังไม่คือนที่นี้มาพูดให้ตนเองฟังอย่างที่เราสวดมนต์สาธยายเราสวดมนต์แปลมาเราพิจารณาไปด้วยไม่ได้สวดเร็วๆร้รองเป็นเพลงมา่ไปอย่างนี้นย อย่างเช่ว่าทำโมกุโลกัปัตนาตถ า, าลิชาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงทำจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเราพูดช้าไปพิจารณาไปอ้าวมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาว่าเอ๊ะธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วมันจะต้องมีสองทรงในคำนี้ก่อนที่ธรรมจะมาทรงเราเราจะต้องหัดทรงธรรมก่อนที่เราจะมีสติ เราเนี้ยก็หัดมีสติทุกเมือ่อเมื่อเรามีทุกเมือ่อแล้วสตินั้นก็จะซึมซาบกลายเป็นอัตโนมัติหรับลงไปสตินั้นก็จะทรงไว้ในใจิตในใจเออแล้วเราก็จะไม่ลงไม่ลืมแล้วเราก็จะมีปัญญามีอภิญญายะพะมีสติอยู่ทุกเมือ่อแล้วมันจะเกิดสัมภโรทายะแล้วมันก็จะเกิดนิพพานนะยะสมมุติเนี่ยเอ า, ง, าง่ายๆแบบหนึฟังเข้ายายได้ในขณะฟังสองขณะคิด สามขณะพูดให้คนอื่นฟังสี่ขณะพูดให้ตนเองฟังไม่ได้พูดให้คนอื่นคือสวดมนต์สาธยายทบทวนเพราะเรื่องการทําว่าสวดมนต์จะมีประโยชน์มากไม่เบาเลยอย่างที่เราสวดทุกวันทุกวันทุกวันที่วัดของเราเนี่ยเราสวดแช่าพิ จ, จ, จพนาแปลไปสวดต่างๆที่ผมแปลออกมาอย่างอารัญญสูตรนาน า, น า, นาสารัพยาอะไรต่างๆที่เจรณาไปเรื่อยว่าเกิดความเข้าใจอันที่สีอันที่ห้าไม่มีทางเลือก ฟังก็ฟังมาแล้วคิดก็คิดมาแล้วพูดกคนอื่นฟังก็พูดมาแล้วพูดให้ตนเองฟังเชา้าเย็ น, นตรวดมนตรทะยายจะเอามาแล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจอะไรมากกว่านี้ก็มีวิธีสุดท้ายอันที่ห้าคือการทำจิตให้เป็นสมาธิแห่งจิตให้เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิไม่กัดแวงไม่วันไว้กายไม่วันไว้จิตใจไม่นวนไหวแล้ว แล้วเอาจิตชนิดที่มันไม่พ้่นวายไม่วันวายนี่เอามาเพ่งพิจารณาดูเรื่องราวอันเป็นความจริงของธรรมชาติเรื่องอนิจจงเรื่องทุกขังอนัตตาเห็นเจอจ้าในจิตในใจจนจิตใ จ, ใจหยุดที่จะวิว่วอนไปตามอารมณ์แบบนั้นเมื่อหยุดแล้วยังไม่พอถอยหลังออกมาแล้วสลัดกว้างทงนั้นที่เรียกว่าวิราคาหยุดถอยหลังออกมา นิโรธาดับไปปฏินิสข า, าสลัดขึ้นหมายความว่าโอกาสสุดท้ายในจำนวนห้าอันเนี้ยส่อันเราใช้ไม่ได้ผลเราก็เลยเอาตัวสุดท้ายคือมาทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วยังเอามาเพ่งพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงเด mm ี hmm. ๋ยวนี้เราทำกันอยู่ทั้งห้าอย่างเลยทำกันอยู่ทั้งห้าอย่าง คือฟังกูบาอาจารย์กอกฟังคิดก่อคิดและตนเองกส็สวดมนต์สายายซ้อนใจตนเองมีโอกาสก็สนธนาธรรมกันพูดไหนเพื่อนฟังบ้างสี่อันนี้ห้อันก็ทำสมาธิวันละ 4, สี่ชั่วโมงดังที่เราทํากันเย่านี้ท่านทั้งหลายไม่อยากเก่งมันก็ต้องเก่งค่ะทำอย่างนี้เก่งแน่ๆเมื่อเรากินข้าวคุณไม่ต้องตาธนาอิ่มมาอย่อิ่มนะฉันกินไปเรื่อยๆแต่ท้องอย่าอิ่มนะไม่ได้ กินก็้าไปคำหนึ่งสองคำสามคำสี่คำยี่สิบคำมันก็อิ่มแค่นั้นคือกินวข้าอีกก็ไม่ได้โดยไม่ต้องปรารถนาความอิ่มแม้จะไหวบอนเอาไว้เทวดาฟ้าเดินจงช่วยในะพระเจ้ากินได้สกักสอบหนึ่งกังอิ่มนะก็ไม่ได้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันสร้างปัจจัยให้มันพอ่อแม่เป็นเพียงพอความเจริญก็เกิดขึ้นถ้าปัจจัยให้เกิดความเจริญทันทีถ้าปัจจัยให้เกิดความเสื่อมมันก็เสื่อมเท่านั้น เพราะนั้นที่เราต้องตืิดมาทําสมาธิกันตั้งแต่ตีสองตีสามทุกวันมานั่งสมาธิกันเยน็ยนเยน็นวันละสองชั่วโมงเย็นสองชั่วโมงเช้าวันละสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นชนิทิวะพ า, าวีจาพระโหดีกตาจะทําให้มากจะริญให้มากนั่นเองแล้วมันก็จะเก่งเองไม่ต้องไม่ต้องไปปาถนามันท่านหลายคิดว่าจะอย่างงี้ยังไงก็ไม่จเจริญหลอกเัินอย่าได้คิดละทีเนี่ยถ้าทําอยู่ในสภาพอย่างเนี้ย มันทนอยู่ไม่ได้มันจำเจริญเหมือนเราปลูกต้นไม้ใส่น้ําใส่ปุ๋ยทวนดินอย่างสม่ำเสมอมันต้องเจริญเป็นหน้าที่ของมันแต่ถ้าหากเราใจร้อนหน่อยมึงทําไมไม่รีบเจริญก็เป็นดึงมันขึ้นมาให้มันยาวๆมันก็ตายใจร้อนมากเอาปุ๋ยไปใส่วันละกิโลกิโลมันเลตายเร็วๆเข้า ความเพียรในการทําสมาธิภาวนานั้นถ้าใครไปตัดวันเข้าไปใส่คอมเมนต์เกลียวซีเรียสเข้าไม่มีโอกาสที่จะเป็นบ้าก็หมดศรัทธากันไปเลยบอกไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นกําหนดกฎเกณฑ์ลิมิตไม่ได้ว่าจะเอากี่วันกี่เดือนกี่ปีทําไปเรื่อยๆทาเหมือนทําเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษาจนคุ้นเคยนึกว่าเป็นภาษาไทยนักเรียนนิสิตนักศึกษาเดนนี่จะต้องมีการเล่นกีฬากัน อิจานิอิกขากีฬาถ้าเรารู้จักเล่นกิฬาทางจิตคือกีฬาสมาธิภาษาบาลีว่าชาณนะกีฬากีฬาแห่งการเพ่งเล่นในการเพ่งปวงงานเล่นในการเพ่งนักบวชเอือฉ้ฉีหรือสีชีภายในป่านในเขาสมัยโบราณ น, นักศึก วิทยาทรทั้งหลายเขาก็เล่นกันแบบนี้ที่นี่เราจะเล่นเป็นนักกีฬาสมัครเล่นโดยไม่ต้องไปหวังความเป็นแชมป์อะไรหรอกเราก็สามารถที่จะเป็นนักกีฬาสมัครเล่นแล้วก็รู้จักเกมมันก็เล่นกันสนุกเราจะปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ต้องการว่าจะเป็นนักปฏิบัติเป็นพระอริยเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไร ให้คนอื่นเขามายกย่องให้คนอื่นเขามาสรรเสริญอะไรแล้ว mm hmm. พี่นี้ว่าเราจะทำให้มันถูก mm hmm. ให้มันถูกต้องให้มันดีงามให้มันเกิดประโยชน์แก่เราจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง mm hmm. เพราะนั้นคำว่ากีฬานั้นเป็นภาษาบาลีและกีฬาชนิดที่เรากำลังนั่งกันอยู่ใ น, นวันหนึ่งสี่ชั่วโมงเช้าตั้งแต่ตีสาม จนตีห้าจึงทำวัดสวดมนต์เย็นตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงบ่ายห้าโมงเนี่ยวัลสีชั่วโมงเนี่ยเรากำลังเล่นกิฬากีลาสมาธิหรือว่าฌานกะิฬากิล า, ลาเล่นในการเพ่งเล่นในการทำจิตให้สม่ำเสมอปกติแต่เราเล่นกันเป็นโมโหเพื่อแวดล้อมให้แก่กันและ ก, กันอย่างนี้ วันนี้มาทำความเข้าใจกว่าชานชานชานชอกะเซอสอกะเซอสละอา ช, ช, ชานนะชานะชานนะไปว่าเพ่งแปลว่าเพ่งพอเราห้อ ง, งห้างไร้เข้าใจว่าชานคือการอยู่นิ่งลงไปในจิตไม่ขยับขยืน่นไม่รู้เรื่องหูไปได้ยินเสียงเขา้าชานานานนับเดือนไม่ขยับขยืน่นเชื่อนกลายาผัสซุกในอุราเป็นซุกทุกข์คืนวันคํากล่าวนั้นนะที่เราเคยได้ยิน เข้าฌานนานนับเดินไม่ขยับใครเฉยเกินกระยามก็ทุกแล้วเขาวขา่าเข้าฌานมันมีคำว่าเข้ามีคำว่าออกและมีคำว่าฌ า, านเฉยๆที่ยังไม่เข้าที่ยังไม่ออกเช่ฟังให้ดีเดี๋ยนี่เรากำลังเล่นอยู่กับฌานกำลังเล่นในการเพ่งแล้วมีฌานเหมือนกันแต่ไม่เข้ายังไม่เข้าคือเข้าไปลึกๆเป็นอปปนาสมาธิจิต ด, ดื้อดำแน่นิ่งลงไป จนถึงจะตุดชาญไม่หายใจอย่างนั้นเลยเรียกว่าชาญใหญ่เลยอันนั้นเรียกว่าเข้าชาญแต่เราไม่เข้าชาญเราไม่ออกจากชาญเราจะอยู่ในชาญคืออยู่ระหว่างกลางๆไม่เข้าไม่ออกอันนี้ยิ่งเป็นยอดกิลาแห่งการเพ่งพระพุทธเจ้าท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าสมาธิมานันตริกัญญามะหุสมาธินาเตนะสมโณนะวิ ช, ชติติแปลว่าไม่มีสมาธิใดเสมอเหมือนอะนันตริกสมาธิ อนันตระแปลว่าไม่มีช่องว่างไม่มีช่องว่างอิกะประกอบไปด้วยสมาธิไม่มีช่องว่างไม่มีที่สุดหรือจะแยกเป็นตอนเป็นตอนอะอันตะอะแปลว่าไม่อันตะเป็นอนันตะไม่หมดอนันตะอนันตระไม่หมดไม่ถึงที่สุดไม่มีสุดอิกะประกอบด้วยอะนันตริกะ สมาธิที่ประกอบกันไปไม่มีที่สุดไม่มากไม่น้อยไม่เข้าไม่ออกฟังโถไม่เนี่ยในนี้ถ้าเราจะทําสมาธิเราก็อยากจะเข้าช้านานนับเดินไม่ขยับขยื่นคลืนกายาเหมือนชาวบ้านเขาพูดกันอยากจะเข้าแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้คําหนึ่งยิ่งหน้าคิดว่าไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องออกมา อย่างในอุเทสวิพังคสูตรแห่งอุปริปันาพระบาลีอุปริปันาไมชมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสี่ข้อที่หกร้อยสามสิบเก้านะมีข้อความตอนหนึ่งว่าพิกษูทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาอย่างนี้พิกเวพิก ข, กขุอุปริเคยยทยทายทาสัปริคตโต ดูความวิสัยทั้ทงหลายเธอพึงพิจารณาโดยอาการที่พิจารณาอย่างนี้ภัยธาจะสะวิญญาณังอย่าให้จิตนี้ฟุ้งไปซ่านไปในภายนอกนี่อย่าให้มันออกไปอชชตังอสันทิตังอย่าให้จิตนี่สงบตั้งมั่นอยู่ภายในนี่ไม่เข้าไม่เข้าไปในฌานอยู่กับฌานอยู่ภายนอกภัยธาจะสะวิญญาณังอวิขิตังอวิสะตัง ไม่อยาให้จิตฟุ้งไปส่านไปภายนอกต่อมาก็มีคำ ว, ว่าอัชตังอ ส, สันติตังไม่ให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในอ น, นุปาทายะปริตัดเยะตรวปริตัดสตออายติงชาติงทุกขะฉลาโมลณ น, นะโสกับปริเทวะทุกขะสมุทโยนะโหตีติเธอทำให้จิต ไม่ฟุ้งไปซ่านไปภายนอกมาให้จิตสงบตั้งมั่นอยู่ภายในไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมัน่นแล้วจกพ้นจากชาติชราบัลลังก์เหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงคําพูด น, น้อยมีความหมายมากไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดมัน่นคือหมายความไม่ยึดมั่นภายนอกไม่ยึดมัน่นภายในไม่ตั้งมัน่นอัจจะตั้งสันติตังอยู่ภายในแน่นเอง ไม่เข้าไปในฌานไม่ออกจากฌานคือไม่พุ่งไปแต่อยู่กลางกลางมีสติจอรู้อยู่ทุกเมือ่ออย่างนี้เราเป็นยอดกีฬาละจะพ้นจากชาติชาลามรณะนะเดียวนี้เราทำสมาธิเราก็อยากจะรีบเข้าไปภายในให้ลึกๆลึกๆเนัยบนาสมาธิหลังจากนั้นเราก็ต้องการจะให้เกิดความสุขมีฤทธิ์มีเดชครับไปนมันไปนติดกันตรงนู้น ที่มีเช่นนั้นก็ออกมาข้างนอกเลยไม่ดูไม่แลไม่เพ่งอะไรเลยจิตคิดยังไงก็ไม่รู้เวทนาความรู้สึกในใจฟิลลิ่งเกิดขึ้นมายังไงคอนเซปชันอย่างไงเพอร์เซพชันอย่างไงไม่ไม่รู้เลยปล่อยมันไปตามเรื่องก็ถูกมันล่าไปถ้าอย่างนี้ครกว่าให้มันออกไปข้างนอกเพราะนั้นคำว่าฌานฌานฌานะแปลว่าเพ่งเพ่งเพ่ ง, พงจ้องดูอยู่ ที่คว่าเข้าฌานก็หมายถึงผลของมันผลของมันมายว่าเพ่งจนได้ที่อยากจะหยุดการเพ่งให้มันอยู่เฉยๆไม่ต้องไปไหนมาไหนไม่ต้องควบเามันลิบลงไปหนังเข้าไปดับพลึบลงไปรวมพึบลงไปเป็นเอกังขตังเอกังขตังเอกังรมณังจิตตังไปทางเดียวจิตไปทางเดียววันโ้อยเชนเนสภาษาฝรัง่งก็พูดอย่างนี้ ความจริงคําว่าเอกคขตามันจะเป็นวันป้อยเป็นจิตอันเดียวหรือเปล่าในพระไตรปิฎกในพระบาลีเอกะแปลว่าหนึ่งอคะแปลว่าเลิศยอดสุดยอดขตาไปจิตไปเลิศไปสุดยอดไปสุดเวียงตรงไปทางเดียวสุดนี่เรายอววันป้อยเทสเน่ไม่รู้มันจะตรงหรือเปล่า ภาษาอังกฤษเขาไปกันอย่างนี้ความจริงน่าจะมีคำพิเศษยิ่งกว่า น, นี้เพราะว่าคำนี้มันชกคว่าเอกะคาตาอักคาเนี่ไแปลว่าเลิศไปว่ายอดไปว่าแหลมกิตแหลมปิดเหมือนยอดอะไรแหลมแหลมไอจิช น, นิดนี้เนี่ยเป็นลิปเป็นเดทเป็นเรเซอร์นั่นคือผลของฌานผลของการเพ่งแล้วบางทีเรียก ว, ว่าสมาบัติมสมบัต สมะเป็ว่าสม่าเสมอหรือว่าสมบัติของฌานสมบัติของการเพ่งที่ได้มาอย่างสม่าเสมอแล้วอยากได้เวลาใดก็ฟึ๊บก็ไปเลยพลึบก็ไปแต่ทีนี้เราจะมาเป็นนักกีฬาในการเพ่งเล่นในการเพ่งเขาเรียกว่าฌานักกีฬาต้องเข้าใจคํำว่าฌานเดี๋ยวจะได้อธิบายเรื่องฌานว่ามันเป็นยังไงกันสัหน่อยและจึงจะทำความเข้าใจกันต่อ ทำความเข้าใจกันในเรื่องฌานเ <c> ข <oughs> ื่อว่ามีฌานเข้าฌานก็หมายถึงว่าสมาธิที่มันเป็นอารมณ์อันเดียวลงไปได้แล้วสมาธิชนิดนั้นที่เขาเรียกว่าเป็นฌานความจริงฌานนั้นยังไม่ต้องเข้าไายแต่ก็ไม่ต้องออกอยู่กลาง เขาจำแนกพระพุทธเจ้าของเราท่านก็้จำแนกฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อันเป็นส่วนรูปฌานคือที่ต้องเพ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่งเด่ยนั้นอย่างเราเพ่งลมหายใจอย่างเงี้ยเพ่งอยู่อย่างนี้แหละหายใจเข้าก็รู้หายจะออกก็รู้เข้าก็รู้ออกก็รู้ในขณะที่หายใจเข้าหายจะออกเนี่ย ความคิดมันก็เกิดหูมันก็ได้ยินตาก็ได้เห็นคิดอดีตัางคิดอนาคตบ้างคิดอะไรก็ช่างมันเราก็รู้อยู่มรนก็ดูมันอยนู่ทุกลมหายใจอย่อยางนี้ดูมันเข้ามันเอกอย่างนี้เรียกว่ายกจิตนี้เข้ามาเป็นวิตกคือจิตที่ตึกนึกรู้อยู่เฉพาะในลมหายใจนี่เรียกว่าวิตกในขณะเดียวกันมันก็มีวิจาร คือเมื่อลมหายใจยาวกลายเป็นอย่างหนึ่งลมหายใจสั้นกลายเป็นอย่างหนึ่งลมหายใจมีปฏิกิริยาต่อกายมีปฏิกิริยาต่อจิตอย่างไรเราก็รู้มันอย่างนี้เลยว่าเราสังเกตรหรือแม้แต่กระทั่งว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ในขณะเดียวกันความคิดก็เกิดอยู่คิดถึงอดีตบางคิดถึงอนาคตบางคิดอะไรต่ออะไรอยู่เนี้ย ในขณะเดียวกันความรู้สึกว่าลมหายใจไม่สม่ำเสมอบางทีรูจมูกสองรูเพราะรูหนึ่งมันเข้ามากเข้าคล่องอีกรูหนึ่งมันไม่คล่องที่รูหนึ่งมันไม่คล่องเราก็รู้นี่คือลักษณะอวิจารภาษาบาลีว่ามีวิตกตคือรู้าหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วก็มีวิจารที่ว่ามันคล่องตรงไหนข้างไหนมันหายใจเข่าทถนัด อย่างนี้หรือตัวร้อนลมหายใจอย่างที่มันก็ละเอียดลงละเอียดลงเมื่อลมหายใจละเอียดลงความรู้สึกเป็นสุขลึกๆความรู้สึกพอใจเบาๆไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวนไป่ร้าวนี่มันเกิดปีติขึ้นต่อมาก็มีความสุขสุขใจลึกๆในที่สุดระยะหนึ่งที่เราเพลอ เราเพอไปหมดลืมไปหมดความเจ็บปวดรุ่งเรา้าจิตก็เลยลีลงไปละเอียดลงไปเกาะนวงอยู่ที่ลมหายใจอย่างนี้แล้วมันก็เกิดภาพขึ้นมาอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่เรียกว่ามันนิมิตอืเป็นนิมิตเป็นอิมเมจภาษาฝรั่งเลีอิมเมจ เ, เ, เป็นภาพ จะเป็นเหมือนปุยเมฆปุยนุ่นปุยฝ่ายเหมือนแมงค์หิ้วห้อยเหมือนเดินเหมือนดาวเหมือนอะไรก็ช่างมันพอเห็นตัวนี้เราก็ดูตัวนี้เพลินไปพ้องกับลมหายใจแล้วก็ลืมลมหายใจเข้าไปบ้างในที่สุดจิตมันก็เป็นน่วงเหนี่ยวอยู่กับภาพที่มันเห็นที่มันไหลไปไหลไปแล้วในที่สุดมันอยู่กับที่ขยายใหญ่ขึ้นมาในที่สุดลืมลืมแม้กระทั่งเราผู้ดูเราผู้หายใจอยู่แล้วจิตมันก็ได้รวมกันพลึบลงไป ดับรวมลงไปไอ้ตรงนี้แหละที่เรียกว่าเอกังรมนังจิตตังอารมณ์ไปอันเดียวเรียกว่าเป็นเอกคตาจิตเลิดไปทางเดียวอันเลิดอันเลิดรวมกันเข้าเรียกว่ามีวิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกคตาอันนี้เป็นองค์เป็นแฟกเตอร์เป็นองค์ประกอบของความสมบูรณ์ของสมาธิ เรียกว่าปฐมฌานฌานแรกนี่เราพูดถึงผลของมันยังไม่ได้พูดถึงวิธีทำให้มันเกิดขึ้นให้ทราบไว้ก่อนนี่มันลงไปดับพึพบลงไปแล้วโูโหก็ไม่ได้ยินข้างนอกจิตลงไปลึกๆภายในแล้วก็มีความรู้อยู่ภายในตัวมันแต่ไม่ออกมารับภายนอกอย่างนี้คือมันลงไปลึกลกมากทิ้งภายนอกเอาไว้ี่เข้าไปภายในนี่เข้าไปภายในอย่างนี้ นี่เขาเรียกว่าฌานที่เขาเรียกว่าเข้าฌานมันเข้าของมันเองไม่ใช่เราไปเข้าจิตมันเข้าไปเองโดยธรรมชาติของมันทีนี่เมื่อมันจะออกมันออกมาเองของมันถึงเวลามันจะออกมันก็ออกของมันเองมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อมันออกมาเราก็ได้รับผลอีกอันหนึ่งคือความอิ่มใจปีติเบิกบานเป็นสุขไม่เคยพบไม่เคยเห็น ถ้าจะซื้อหาด้วยเงินด้วยทองเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ซื้อไม่ได้แต่สิ่งนี้เราได้มาฟรีๆไม่ต้องซื้อแล้วก็จะติดใจดื่มดั่งยกับสิ่งเหล่านี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เราก็อยากอกีอยากให้มันเป็นอีกอยากให้มันมีอีแล้วก็ทําอีถ้ายิ่งอยากมันก็ยิ่งไม่เป็นในที่สุดฉลาดอีฉลาดยังไง ฉลาดทำให้มันเกิดโดยวิธีเพ่งลงไปในลมหายใจทาให้มันละเอียดลงละเอียดลงในที่สุดก็สร้างโนภาพที่เคยเห็นที่มันไล้ไปไลไ ล, ไลมาที่เคยปรากฏเหน็นนั่นแหละที่ยกวันนี้มิดโอการนี้มิดสร้างให้มันติดตาขึ้นมาได้ง่ายขึ้นในที่สุดก็ลอลอ้อมเจี๊ลงไปสู่ภาพนั้นเป็นอันเดียวก็มันนันนี่นนสลก็รวมพอืม ก็เป็นอีกอย่างเก่าวันหลังมาที่ลังมาฉลาดขึ้นทีนี้อยากเป็นเวลาใดก็น้อมจิตไปก็เห็นภาพนั้นปรากฏขึ้นแล้วก็รวมพึบลงไปอย่างนี้ก็เรียกว่าปลดวิตกวิจารโดยไม่ต้องไปจัดการกับลมโดยไม่ต้องไปพิจารณาลักษณะอย่างไรมันเป็นเพียงไดอยากน้อมย อ, อนุทิฏฐาน้อมไปก็เกิดตีติเกิดความสุขละเอกขาตาพึบลงไปอย่างนี้ เขาเรยกว่ามันเป็นชานที่สองปลดวิตกวิจารณ์ออกต่อมาอยากอีกเก่งกว่าเก่าอีกนเรียกร้องหาทุกเมื่อโดยไม่ต้องไปเพ่งดูอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่อยากแค่นั้นน้อมเจ็บแล้วก็มีปิติมีสุขอืมเอกะขะตาทีนี้น้อมไปมันไม่มีและอันอืน่นมันมีแต่สุข ล, ล้วนๆพร้อมเอกคตาเป็นไปได้ง่ายเป็นชานที่สาม เมื่อทําอย่างช่ําชองทําอยู่ไม่ขาดทั้งทุกวันทุกวันเข้ามันก็เลยฉลาดที่นี่ไม่ต้องมีปีจิไม่ต้องมีความสุขไม่เอาทั้งสุขไม่เอาทั้งทุกมีแต่เอกกัคตาจิตเป็นอันเดียวแล้วก็ว่างอุบเบกขาและเยดจนแม้กระทั่งลมหายใจไม่มึนลงไปนูน่นนี่มันคนละตอนกันอันนี้เรียกว่าจตุตถฌานไม่มีสุขไม่มีทุกปวดสุขออกไปปวดปีจิออกไป มีแต่ความว่างเฉยอยู่อย่างนั้นเอกขาตาอย่างนั้นแล้วก็มีอุเบกขาอยู่อย่างนั้นอารมณ์ใดก็ไม่มีอย่างนี้ลึกลงไปจนไม่หายใจไอตอนไม่หายใจมันมีสองตอนตอนแรกเริ่มจะเข้าประโศปะทมวชารนี่ก็เหมือนลมหายใจหายไม่มีอันนี้นั้นละเอียดละเอียดความจริงไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ทำไมสร้างมโนภาพอินนจีเนตขึ้นมา ในที่สุมันก็เลเป็นเมนทันอิมเมจเป็นภาพในใจไหลไปไหลไปแล้วก็ไปกําหนดจิตดูตัวที่มันไหลไปเหมือนปุยเมฆปุยฝ่ายปุยนุย่นเหมือนแม ง, งคิห้อยเหมือนไข่กบไข่เหยียดเหมือนใ่แ ม, มงมุมเหมือนเดือ น, อนเหมือนดาวเหมือนฟ้าแหลกแปลแปร่าก็ดูมันไหลไปไหลมาสร้างอิมเมจเดตตัวนี้ขึ้นมาเมนทันแฟกเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาเ ม, มื่อสางขมาควบคุมตัวนี้ให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันใหญ่ให้มันเล็กแล้วก็พึบลงไปตัวนี้จะต้องเกิด หลังจากช่วงหนึ่งเมื่อลมหายใจเริ่มละเอียดเริ่มไม่มีลมนั่นมันโคลานกันแต่ตัวสุดท้ายต้องการน้อมปั๊บลงมานี่ก็จิตว่างเลยเป็นเอกัตาแล้วก็มีอุเบกขาดืมอดำเนื่อนไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์อะไรว่างว่างว่างเป็นจตุทชาญสุดเวียงของการเพ่ง ที่อาศัยรูปอาศัยอ็อบเจกตที่มันเป็นรูปอย่างนี้เรียกว่าปลดไปทีละอันละอันละอันอันนี้เขาเรียกว่าเข้าชานที่หนึ่งเข้าชานที่สองเข้าชานที่สามเข้าชานที่สี่อันนี้เราพูดถึงผลมันนะเรายังไม่ได้พูดถึงวิธีที่จะทําให้มันเกิดขึ้นเราพูดเป็นโครงสร้างว่ามันเข้าๆวไว้ถ้ามีเวลาเราก็จะได้อธิบายกันให้ละเอียดเป็นเอาว่าเราเข้าใจคําว่าชานชานชาน ชานเป็นคำต่างๆแปลว่าเพ่งภาษาบาลีชาญนักกีฬาก็เป็ว่าเล่นอยู่กับการเพ่งสุ่ดแล้วแต่จะเล่นเก่งแบบไหนถ้ามีความชํานาญมันก็เข้าได้ออกได้ที่นี้เข้าเวลาไหนก็ได้ออกเวลาไหนก็ได้ก็เรียกว่ามีวะสีมีอํานาจเจโตวะสีมีอํานาจจะเนื้อจิตมันเข้าไปมันเข้าดนนี่ก็ได้มันเข้าไปมันออกในนี้ไม่ได้ก็ได้ ให้มันแช่อยู่นานแค่ไหนก็ได้ในที่สุดพวกนี้ก็เลยเก่งไปเป็นลิฟเป็นเดทหูทิพตาทิพธ์จะไปดูอะไรสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้เห็นมันก็ทําได้แต่มันมจะไม่ได้แต่ทีนี้เรายังไม่เก่งแต่เราก็เพ่งเรว่าเราก็มีชานเหมือนกันแต่เรายังเข้าไม่ได้มีเข้าไม่ได้เราก็ไม่ออกอีกเหมือนกันเราจะดูอยู่อย่างนี้ถ้าออกแล้วมันะเหลอะเปิดเปิงเพราะฉะนั้นในภาษาบาลีพระพุทธเจ้าจึงพูดไว้ว่า นัตถิชานังอปัญยสสะนัตถิปัญญาอาชาิโนแปลว่าเมื่อไม่มีการเพ่งก็ไม่เกิดปัญญาแต่เมื่อไม่มีปัญญาก็ไม่รู้จักวิธีเพ่งอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาหลักการเพ่งหรือสิ่งที่เรียกวิาชานี้เป็นคำต่างๆเป็นคาต่างๆเป็นกิฬาเรียกวิาชานะักิีฬาเล่นในการเพ่ง ที่มันก็เลยมีเข้าถ้าเข้าได้ก็มีฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้ายังเข้าไม่ได้ก็ยังมีการเพ่งอยู่อีกเหมือนกันเขาจึงเรียกว่าเรานี่อยู่ในฌานอยู่ในฌานนั่งในฌานนอนในฌานยืนในฌานเดินในฌานไม่ว่าเราจะเดินไปบินท บ, บาสไม่ว่าเราจะนั่งอยู่ที่นี่จะเข้าห้องน้ำห้องส้วมเราก็อยู่ในฌานคือเพ่งเพ่งอะไรจะได้เล่าให้ฟังอีกมันมีอยู่สองเพ่ง มีอยู่สองฌานฌานหนึ่งเป็นไปเพื่อสมถะฌานหนึ่งเป็นไปเพื่อวิปัสนาคือมอีสองวิธีเพ่งวิธีเพ่งอย่างหนึ่งดังที่กล่าวมาเมื่อกี้จนเกิดมีปิติสุขเอกคตาวิตกวิจารณ์ตัวแรกนี่เพ่งตัวนี้เป็นสมถะให้เกิดปฐมฌานแล้วตอนหลังมากก็ปลดวิตกวิจารณ์ออกเพ่งจิตน้อมไปเกิดปิติสุขเอกคตา อี่เป็นฌานที่สองต่อมาเก่งชลาก็ไปอีกปลดปีติออกเหลือแต่สุขเอกคตาไปนี่เป็นฌานที่สามต่อมาก็เก่งอีกปลดทั้งสุขทั้งทุกข์ทิ้งไม่เอาเป็นเอกคตาอุเบขาว่างนี่ก็เรียกวเป็นฌานที่สี่อันนี้เป็นสมถะให้จิตสงบสงบมากเมื่อสงบมากนี่มันก็มีกำลัง ผลของสมถะจึงเกิดมาคือมีความสุขเต็มที่สุขที่สัมผัสได้ทางนามธรรมทางจิตใจหลังจากนั้นก็ยังสามารถบังคับจิตให้มันมีฤทธิ์มีเดชให้มันเป็นเรดียนให้มันเป็นเรเซอร์ขึ้นมาให้มันคมมีพลังเหมือนกับโทรทัศนมีไฟแล้วก็มีโทรทัศน์มาเสียบ หมุนไปช่องไหนก็เห็นนี่เหมือนตาทิพทีนี้มีวิทยุมันเสียบหมุนไปฟังคลื่นจูนคลื่นไปสู่สถานีได้มันได้รับกันมันก็เยยิ่นนี่มันเป็นหูทิพมันทำอะไรได้พิเศษเนื้อมนุษย์ธรรมดาเป็นทิพนั่นแหละดังคลื่นมันก็เล่นอยู่คนเดียวอย่างนี้นเป็นกีฬาจะไม่เรียกว่ากีฬาได้อย่างไรเรียกว่าชานะกีฬากีฬาคือเล่นยในการเพ่ง คนที่เขาเก่งกลางคืนเขาเก่งทางสมาถะเขาก็เล่นกับสมาถะกลางคืนเขาไปเที่ยวตัวอยู่นี่แต่จิตนั่นมันไปไกลๆ ไ, ไปไหนไปที่คนอื่นไปไม่ได้ไม่เคยไปออกไปนี่ไหนสวรรค์ น, นรกที่ไหนเขาก็ไปเขาได้แม่เราเองก็ทําได้ถ้าพยายามแต่อย่าไปอวดชาวบ้านเข้าเอาแล้วกัน <c oughs> เขาบว่าบ้าเพราะเขาไม่เห็นคนตาดี พูดอธิบายสีขาวสีเหลืองสีแดงให้คนตาบอดตั้งแต่กำเนิดฟังคนตาบอดมันไม่เชื่อมันไม่เชื่อว่ามีสีมันเกิดมาไม่เคยเห็นถ้ามันจะเชื่อมันก็ยังโง่อีกเพราะเชื่อลมหลอมแรงแรงทั้งๆทั้ ง, ง, ง, ง, งตัวไม่เห็นผู้ที่มีฌานมีฤทธิ์มีเดชเห็นเหงื่อมนุษย์ธรรมดา แต่จะไปพูดในคนธรรมดาที่เขาไม่มีอำนาจเป็นทิพย์มีจิตอย่างนี้เขาฟังไม่ทู่ดีไปดีเขาพลานหาบบ้าหาบบ้าไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงปรับอาบาัตระปราจิตจีมีจริงก็พูดคนอื่นฟังก็ปราจิตจีเพราะเขาไม่เห็นด้วยมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสมถะมันไปได้ไกลก็คือมีความสุข แล้วก็มีฤทธิ์มีเดทมีอภิเนหารญาณทัศนะไม่จิกันพาวเวอร์ซูปเปอร์นอร์มอลอะไรต่างๆมันมีอย่าเคยจะว่ามันไม่มีนะแต่มันพูดกันกับคนได้ไหมเคยรู้ไม่เคยเห็นนี่มันพูดกันไม่ได้มันพูดกันไม่ได้มังคนละโลกกันแต่ทั้งนั้นเป็นผลของสมถะเมื่อจิตมีสมาธิมากมีพลังมาก มีไฟฟ้ามากแล้วก็เอาเสียบใดให้ดูดน้ําก็ได้เสียบพัดลมให้เป่าเย็นก็ได้เสียบตู้เย็นให้มันเย็นก็ได้เสียบโทรทัศน์ดูอะไรก็ได้ถ้าเอาไปเสียบเข้ากับปลั๊กไฟมันก็สว่างสวัยทีนี้ถ้าเกิดมีพลังไม่รู้จักใช้ไฟก็ใช้แต่ให้เกิดฟังเสียงได้ไกลๆทางวิทยุดูภาพไกลๆทางจอโทรทัศน์ถ้าเกิดไฟชอดไฟดับมาก็ดูอะไรไม่เห็น เป็นอันตรายก็ได้แต่ทีนี้ถ้าฉลาดก็เอามาใช้ให้มันเกิดแสงสว่างขาจัดความมืดความจริงคนตาบอดเขาไม่เห็นสีทั้งๆ ท, ที่สีมีอยู่พระอาทิตย์พระจันทร์ก็สว่างเจิดจ้าแต่มันปรากฏเป็นความมืดในตัวเขาเรื่องนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเรื่องสมาธิมันก็เป็นอย่างนี้ มีการเพ่งอีกแบบนี้เพ่งให้เกิดอย่างนี้ให้เกิดความสุขให้เกิดมีฤทธิ์มีเดชมีอาณทัศนปฏิหารมีเมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอลเนือมนุษย์ธรรมดาในละมิดอะไรต่างๆได้ขึ้นมานสุดแค่นี้แต่มีการเพ่งอีกแบบหนึ่งเพ่งอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ได้เพ่งไปให้มีความสุขไม่ได้เพ่งไปให้มีฤทธิ์มีเดชแต่เพ่งไปให้มีสติสัมปชัญญะ รู้มายาสายัยของจิตรู้มันหลงเข้าไปเป็นเจ้าของความสุขความทุกข์ที่เรียกว่าเวทนาไม่เอาทั้งสุขทั้งทุกข์มีสติรู้ความคิดนึกความปรุงแต่งตนเองรู้สึกนึกคิดต่างๆรู้อยู่ทุกเมื่อจนเห็นจนเห็นเบื้องหลังของความคิดปรากฏการณ์เบื้องหลังปรากฏการความคิดมันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจาก สัญญาความสาคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้ที่สังสมเอาไว้จึงกลายเป็นความเคยชินที่จะรู้ว่าอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอันนี้น่ารักอันนี้น่าชัง<ม>เกิดมาจากสัญญาบ้างคือความสาคัญมั่นหมายจำได้หมายรู้เอามาคิด<ม>เกิดมาจากเวทนาคืออารมณ์ที่สเวยจนเคยชินว่าสุขว่าทุกพอใจไม่พอใจแล้วเอามาคิดปรุงแต่ง<ม>เกิดมาจากวิตก คือความคิดสำเร็จรูปซึ่งมันทำนานมันชินมาเรียกว่าวิตกวิตกในภาษาบาลีว่าวิตกวิตกังภาษาไทยว่าตรึกนึกคิดที่สำเร็จรูปเกินมาภาษาฝรั่งควรจะใช้ับว่าคอนเซปต์คอนเซปชัตัวคอนเซปชันนี้เพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นปรากฏการณ์เบื้องหลังปรากฏการณ์ของความคิด ทั้งหลายแหละที่มันเกิดดับเกิดดับในใจมันเกิดมาจากคอนเซปชันบางมาจากซิลลิงบางที่เรียกว่าเวทนามาจากเพอร์เซปชันเกตัวสัญญาบ้างไม่รู้จะพูดยังไงเอามันหลายหลาพูดมันยิ่งจะเข้าใจอย่างนี้เราก็จะเห็นเห็นความคิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้ และก็เห็นว่าทั้ง f i ล l i n g ทั้ง conception perception ทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกเที่ยมารวมกันเป็นความคิดเกิดดับเกิดดับอยู่ทุกขณะนี้มันตกอยู่ใต้กดอันหนึ่งคือเชียงไม่ได้กดอันนั้นก็คืออานนี้จังไม่เที่ยงทั้งสัญญาทั้งเวทนาทั้งวิตกทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไป เพราะกันั้นมันก็อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่ได้ไไดถูกบีบพูกขันด้วยเหตุ ป, จปัจจัยปุงแต่งภาษาบาลีว่าทุกทุก suffering sufferingness pain อะไรต่างๆวันีน้หลังจากนั้นก็เห็นเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้เบื้องหลังของอนิจจังเบื้องหลังของเวทนาสัญญาวิตกว่ามันมีอนิจจังทุกครั้งอนาตาัตตากำกับการแสดงการปรากฏเกิดขึ้นของมัน มันเียนัตตาคือไม่ใช่เราเราไม่ใช่สิ่งนั้นบังคับสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย mm. เห็นเบื้องหลังของสิ่งเหล่านี้จิตก็คลายออกมาไม่เป็นเจ้าของไม่ยึดมั่นถือมันไม่แบกไม่ทูลไว้คลายออกมาหยุดกึกถอยหลังกักสลัดคืนอารมณ์ไม่เป็นเจ้าของ mm. อย่างนี้การเพ่งลักษณะนี้ mm. เพ่งดูความจริง mm. มันก็นเลยมีสองเพ่ง mm. มีสองฌานฌาน